ทำกันพวกเรามารงเรือลำเดียวกันเกือข้ามฟาจนไปถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำน้ำคือโอคะคือวัตตะสังสงสารวัตทั้งหลาย เอากายเป็นเรือเอาสติเป็นหางเสือดัดไปให้ถูกทิศถูกทางอย่าไปตกวังวนให้ถึงฝั่งถึงฝาหมายความว่าอย่ามุกมุดคุนคิดเรื่องเก่าคิดแล้วคิดอีก พอจะฉลัดพอที่จะทิ้งกับทิ้งไปอย่าอาไยอาบณ์พะมาไราเป็นพะมาไยพะมาไราในหมายทั้งผู้ไม่ในอาไยในอารมณ์อิด <c oughs> แล้วคิดอีกย่ยมคิดเรื่องเก่าเลยวว่าเป็นพะมาไยไม่ได้พะมาัยนี่ไปทัวสวรรค์ไปทัวนรก ได้เปิดโลกนำเอาเรื่องของมนุษยนรกมาพูดให้มนุษย์ฟังเอาเรื่องสวรรค์มาพูดให้มนุษย์ฟังพระมาลายเหมือนพระมาลัยแสนพวกมีบริวารเป็นหมื่นผู้บริวารเป็นแสนเขาทําอย่างไรเขาจึงมีบริวารสมไมที่เขาเป็นมนุษย์เขาได้ทําบุญรักษาศีล บำเพ็ญเพียรภาวนามนเมตตากรุณาไม่มีอคติปิตใจบริสุทธิ์เขาจึงเป็น ม, มีบริวาลเป็นหมื่นเป็นแสนพวกเราก็การเจริญสติ น, นี่หรือว่าเป็นการสร้างบารามีบารมีคือพร้อมพร้อมที่จะทำได้ แล้วทำให้ได้ด้วยเป็นมันหลงเอาให้มันรู้สึกตัวอะไรก็ตามเอาความรู้สึกตัวไปเกี่ยวข้องเรียกว่าหางเสือถ้ามันหลงไม่หาความรู้แสดงว่าเรือไม่มีหางเสือเราวังบนตอนมันทกตอนมันโกรธตอมันวตกกังวลไม่มีความรู้ เ, เรียกว่าเรือไม่มีหางเสือแล้ว ไปไมถึงฝั่งถึงฝาต้องติดถังเสือตลอดเวลาต้องใช้ตลอดเวลานี่เป็นว่า <c oughs> ลงเรือแล้วพวกเราก็เป็นนั่งเรือลำเดียวกันประครับประครองกันให้ได้อย่างไหนที่เป็นประโยชน์เกื้อคูลสร้างขึ้นมา ให้ความยืมแยมแก่ใสซึ่งกันและกันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันบางทีเราไม่ได้ช่วยแต่ว่าเรา ม, มีน้ำใจลึกๆเราอยากจะช่วยอยู่แต่บางคนก็กำลังถนอมกำลังหัดเดินหัดนั่งเหมันละอ่อนกำลังช่วยตัวเองไม่ได้ก็าอาศัยสิ่งแวดลอ้อมถ้าจะให้ ทำงานเหมือนกันสม่ำเสมอทั้งหมดก็ไม่ได้ต้องให้เขาให้เราบ่าดูแลกันไปอย่าทะเลาะหรือว่าคนนั่นทำคนนี้ไม่ทำอย่าให้มีคำพูดแบบนี้มันมีคลื่นมันเป็นคลื่นเมอมันเป็นคลื่นก็ย่องเฉลยเฉลยไปไว้สะดวก อย่าทะเลาะวิวาสจะก็จะบาทอย่ามีอคติใดๆต่อกันใดกันไม่ตั้งไว้คิดเชิงใดประกอบไปด้วยเมตตาพูดเชิงใดประกอบไปด้วยเมตตาทำเชิงใดประกอบไปด้วยเมตตาตั้งต่อหน้าได้รับหลังของเพื่อนภิกษุจาเรนหรือความบริสุทธิ์อ่า เรีว่าโง่ อ, อกกันเดียวกันละพวกเราเลยปฏิบัติธรรมมาเจริญสติมาสร้างความรู้สึกตัวมาสร้างความรู้สึกตัวไปปีกข้าขาแข็งก็อ่อก่อก่อช่วยกันมาถ้าใครยังอ่อนอยู่ก็พยายามให้โอกาสให้เขาได้ <c oughs> ปฏิบัติธรรมงานการงานต่างๆใครมีความชอบก็ทําไป บางครั้งอาจจะเรียกอ่านหวานข่าวไปช่วยกันบางโอกาสก็ไม่เป็นไรจะถือว่าเออวัดนี้ไม่แต่งงานแต่งงานไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเลยแ ล, แล้วก็ทําน่นแล้วก็ทํานี้ก็ไม่ถึงกันนั่นบางทีก็เราก็เพื่อคนอื่นนั่นละอะไรเผื่อเราดอกเพื่อคนอื่นถ้าไม่งานไม่ใช่เพื่อประโยชน์ ของส่วนตัวของส่วนบุคคลพวกผู้อื่นเพื่อเพื่อนเพือมิตรผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาส่วนวาดของพวกเราผู้ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุกทุกสารทิศมาส่วนวาดของพวกเราอห้มีน้ำใจจะให้มันเหงแท้นามใจให้มันชุ่มชื้นชุ่มฉ่าอยู่สเสมออ่า แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสิ่งเวดล่อมไม่ใช่ตัวเองไลามีโอกาสใจประรุลธทำปนมีน้มใจนะอย่างสมัยครั้งพธเจ้าพระสงบางลูก ป, ประกาศให้หมู่สงฆ์ทราบว่าใครจะย่อมผ้าเวนาบอกผมผมจะย่อมให้แล้วคนเจ้าโูปไหนองค์ใดจะยอ่อมผ้า ผมจะยอมให้กติก้าพัเจ้าหลังไหนมันรั่วลุนาบอกผมผมจะไปซ่อมให้ดินปะกติมันชุดมันพังลงบอกผมผมจะไปซ่อมให้เขาไม่นั่งใจนะทำไมคำพูเจ้าเขาเรียกว่าภาวนาหรือว่าเรียกว่ า, วาขอเป็นอธิการเจ้าอธิการแห่งงาน ถ้ากระดีรั่วต้องไปเลือกพระองค์นั้นเจ้าที่การคลังเจ้าที่การเสนาสนะเจ้าที่การอาหารอถ้าเรื่องอาหารต้องไปถามพระรูปนั่นถ้าเรื่องเสนาสนะต้องไปถามพระรูปนั่นถ้าเจ้าที่การคลังเกย์ฟอนไม่เกย์ฟอนไม่พระพังฆไม่าาผ้อ่พระตะกนเตียวมีอะไรไปขอกับองค์นั้นับางทีข็ เขารว่าอธิการคือเจ้าหน้าที่ในกิจการงานนั่นๆขอสมัครรับใช้มูสงนั่นก็ถือว่าอุ่นใจเราถือว่าให้สร้างความอบอุ่นใจให้ใจกันละกันอย่าไปสร้างความวิตกกังวลหายใจฝืดใครที่มาส่วนวานเราให้หายใจโล่งโล่งหายใจโล่งล พูดออกไปทําให้อาคันธุกาที่มาเขาหายใจโล่งเออมันเราไปวัดเขาอ่าพระเจ้าวัดหรือพระสงฆ์ในวัดพูดออกมาโอ้โล่งใจมันหายใจโล่งอะไรๆก็อ่าบนเพิ่มปั๊มเพิ่ ม, ม, มปั๊มเห็นยอมไปวัดก็โอ้ยยอมเลยวัดนี่มีแต่นี่ นี่เยอะตรงเว้ยใช่นี่สองปีสามปีไม่หมดมหายใจไปโลกน ะ, ะมันหายใจผืดแล้วโอ้ไม่รู้จะไปยังไงแล้วกันเราจึงทำให้เขาหายใจโลง่ลงๆมาเถ อ, อะมาถึงวัดเราแล้วสาราหน้าไม่ได้ปิดประตูไม่ได้ใส่กุญแจมาถึงเวลาใดให้เปิดประตูเข้าไป ไปหาที่หลับที่นอนบนสลาไม่ผ้าห่มไม่เสือ้อไม่หมอนไม่มุ้งตามไปผสมกับพระเทศสลากรเดินเข้าไปข้างในหลังไหนว่างขอถามพระพระท่านจะรูป ก, ก็ขอให้รูปศึกษาให้รูปน้ำลืมตรงไหนน้ำแช่ยอยู่ตรงไหนองหน้ําห้องท่วมอยู่ตรงไหนเขตผู้หญิงอยู่ตรงไหนเขตพระอยู่ตรงไห น, ไหนก็ให้รูป ให้รัวไว้เนีย่ยให้หายใจฝึกโดยพอวัดเราเนี่ยบางทีไม่ไม่ได้ติดประกาศนะแต่วัดใดที่เขาติดประกาศเราสะดวกพอไปสูงอาวาาเขาเห็นประกาศเ ข, าเขียนไว้เวลานั้นทำอย่างนั้นเวลานี้ทาอย่างนี้ระเบียบเป็นอย่างนั้นระเบียบอย่างนีนงนน้นั่นเราก็สบาย <c oughs> จะได้ปฏิบัติตัวไม่ต้องเก้อเกินบางทีเราไปดูวัดเขา อาจะดูสักชั่วโมงหนึ่งจบเลยถ้าไม่มีใครบอกเราดูเองเออน้ำดื่มตรงไห น, นบางทีก็เขียนไว้แต่ก่อนตื่นขึ้นมาดื่มน้ำห้าแก้วต้องดูน้ำดื่มก่อนตีสี่ 4, ต้องวัดบนน้ําตรงนี้ดื่มน้ำห้าแก้วห้องส้วมอยู่ตรงไหนเออห้องส้วมอยู่ตรงนี้นเขาฉัน อ, อยู่ที่ไหนเขาฉันอยู่ตรงนั้นเขาทําวัดสวดมนต์อยู่ที่ใดก็รู้แล้วศึกษาไม่เกินชั่วโงหนึ่งถ้าเราไปวัดไปว่าต่างๆ ก็ให้โล่กพที่จะไม่เจิดเขินอนี้แหละ <c oughs> แล้วพวเราก็ช่วยกันไม่น่ามใจเห็นหน้าอาันรตุกกะอย่าหลบหน้าหลบตาไต่สวนทวนถามอย่ลบหน้าแขกเราเป็นเจ้าถิ่นผู้ที่มาใหม่เรียกว่าอาการตุกกะ <c oughs> มาใหม่ยังไม่โล่อะไรขอแนะนําเป็นมิตรเป็นเพื่อนเขาเล็กๆน้อยๆไป จให้เกิดความสะดวกสบายในการปฏิบัติบางทีน้ำใจเนี่ยน้ำใจมาให้ปฏิบัติสะดวกนะเห็นหน้าเห็นตากันก็ปฏิบัติสะดวกก็อยาาไปสร้างความวุ่นวายอย่ไปท <c oughs> ําให้อลังแม้แต่ไอแม้แต่ทําอะไรที่มันเป็นเสียงก็พยายามบางทีก็กําลังถนอม กำลังถนอมอารมณ์ปฏิบัติกําลังอยู่ในความสงบเราไปพูดเลยเ้วยไม่ค่อยสารวมก็ทําให้เพื่อนของเราตื่นตกใจแล้วก็สมาธิก็ก็หายไปอมาธิก็เป็นบาปเหมือนกันนะเห็นพระพุทธเจ้าประาไว้ในตัดไว้ว่าภิกษุกําลังท่องปฏิโมกอยู่ภ <c oughs> ิกษุหนึ่งไปพูดนะเขาคลายความาปัญญาก็ถือว่าเป็นบาป ไปพูดให้เขาคลายอุตสาหะไปสร้างความโอเคไปสร้างความอ่าลึกขึ้นคงเขาก็คลายอุตสหะก็ถือว่าเป็นบาปเราลังแม่แล้วเราปฏิบัติทำเนี่ยอ่าเพื่อนเรากําลังเดินจงกรมอยู่เพื่อนเรากำลังทำสมาธิสร้างสติอยู่เราไม่รู้เลยรบางที่ก็ไปเดินอ่โวยวายเร่งแรงๆๆเลยทำไมเราไม่ระ ว, วัง ให้เราจับคำรวมการเดินนะพระสงฆ์เราเนี่ยเดินไว้วเราไม่สวยงามเท่าไหร่หรอกสิ่งที่เดินที่วิ่งไม่งามคือพระแม่คีวิ่งไม่งามแม่คีกับพระกับช่างกับพระราชาที่ทรงเครื่องประดับกับผู้หญิงที่มีคั น, นตอนนี้วิ่งไม่ไม่่อยงามไปยเดินหรอกเดินหรอก ฝนตกก็เดินเอาอไม่ต้องวบ่งให้มันเย็ยนเย็นทำไรมันเย็ยนเย็นสร้างถึงเรีร่อมันเจตัวเองมีโอกาสได้มาลดทําได้อพวกเราก็ขอให้เป็นมิดไในตีผูกมิดไใตีอการผูกมิดแม่รัดดึงโบราณทานวา่าเหล็กเท่าลานเติงใหม่มัน มณตาผูกมังหึงหายซูยลผูกด้วยไม่ตีนั่นแน่นเท่าวันตาให้ไม่ไม่ตีกิดคิดอะไรอ่ามองกันในแง่ดีแต่ไปมองกันในแง่ได้เอาในส่วนเร็วบ้างข่างของเขาต้องเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างนะหน้าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปลูกของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียว จะมัอเที่ยวค้นหานะ่ะสหายเอ้ยเหมือนเที่ยวหาหนดเต่าเปาตายเต่าเลยผมเคยเคยมองแต่ตีมีคนจิีอ น, นอาจารย์ปริธาศจํามาอ่านถ้าเรามองอะไรมันลื่นๆซะหน่อยแม่แต่ปฏิบัติธรรมอย่าให้มองอย่าให้มีกระทบกระเทือนเออกอกเอใจเอ่อย่างนี้ดีเอ่อย่างนี้ไม่ดีออันนี้ฉันชอบอันนี้ฉันไม่ชอบคนนี้ฉันชอบคนนี้ฉันชอบอย่าให้มีสภาพอะ่ะ มันลื่นลื่นชีวิตเี้มันลื่นลืน่นนะมันลืนลนลนนะนล่นมันลูดได้รถ ด, ดีดีมันมันลูดได้ถนนขเขาเขาเขามนวิ่งลุดนะถ้ารถไม่ดีมันก็ไม่ได้แต่สร้างชีวิตขอเราให้มันดีมีมีคุณภาพให้มันลื่นได้อย่ากระตุกกระตั ก, ๆๆตกนะพอที่จะวางก็วางพรที่จะเย็นก็เย็นพราที่จะหยุดก็หยุดอ่านะ หัดไรหัดจุดหัดเจ็บหัดปลอยหัดว่างแต่พอจิตเนี่ยเแปล ว, ว่าอะไรสาม ย, อยอ่อสี่ย่อยืดหยุ่นยิ้มแย้มยินยอมยืดหยุ่นยิ้มแย้มยิน ย, มยมอมออะไรไม่ลูกจาไม่ไม่ได้ไม่ไ <c> ม <oughs> ่มีมคุณลักษณะชีวิตของเราําต่อการปฏิวัติต่อการการไปการมา การทำอะไรหัดให้มีสติหัดให้มีการสำรวมจำเป็นบางอย่างการสำรวมน่ะการศรัทธามีศรัทธามีสำรวมมีศีลมีความเพียรอมันต้องหลายๆอย่างจะเอาดุนดุนหมันก็นไม่ได้หากด้ามผ้าด้วยเขา่าการเจริญสตินี่ศรัทธาจะให้เหงือแท้ให้เหื่อแท้งให้มันชุ่มชื้นอยู่เสมอ ความเพียรก็อย่าให้ขาดแคลนกล้าทำดีกล้าละความชั่วมันหลงตรงไหนมีความเพียรเอาความรู้ไปใส้มันทำอะไรไหน่เพียรเพียรประกอบอปริเยนทุกข์ธรมเจติคนจะร่วมทุกข์ไปได้เพราะความเพียรอยให้ขาดแคลนมีสติเหมือนมีเข้าปลูกเข้าพันปลูกลงไปหวานลงไปปักลงไปในเนื้อนา อันกายอันกว้องสอบยาวานาคือคือคนยังเป็นๆอยู่นี่มีความเพียรมีสติปลูกลงไปมีสมาธิให้มันมั่นคงเาใสความมั่นคงให้มันแน่แนๆเล็กหน่อยอย่าหวั่นไหวอะไรง่ายๆช่วยช่วยสติสติก็ต้องอาใสสิ่งที่ปลูกที่ที่ฝังให้แน่นด้วยเรว่าสมาธิความมั่นคงไม่งอนแน่นกอนแคลนไม่หวั่นไหว อ, อไม่ลุกลี้ลุกลนไม่โว้ววามไม่ผลผันพันแน่นให้แน่นแน่นก็หน่อยโดยสมาธิเราก็มีปัญญาบ้างอ่ามีปัญญาเป็นเป็นปิดผิ ด, ดมันผิดใช่เป็นเปลี่ยนเป็นถูกมันหลงเปลี่ยนเป็นรูปมันหลงที่ใดก็เปลี่ยนเป็นรูปที่นั่นมีปัญญาอย่าให้ความหลงเพื่อสร้างความหลงอย่าให้ความผิดเพื่อสร้างความผิดมีปัญญาเป็นในตัว โดยเพาะการเจริญสติแบบสติปัฏฐานเนี่ยมันไปเป็นพวงเลยนะมันไปถ้าเป็นพวงทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งศิ้นทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งอินทรีย์ทัง้งอศรัทธาไปเลยกำหนดเลยเป็นพวงไปเลยเหมืนอนโบราณที่ว่างัวอีเขียวผูกหลักเดียวหัวจุ่มกันไลยหลักเดียวถ้ามันจะอยู่กันเลย มวยเขียวลูกล้วเดี่ยวหมวยจุ่มกันเลย ม, มันไปเป็นพวงจับบันเดียวได้มาทั้งหมดเลยเราจึงสะดวกมากการเจริญสติเนี่ยสะดวกที่สุดมีอะไรที่มันจะอ่าแต่ไม่สะดวกเรากต็ต้องเห็นแน่นอนไม่ต้องไปหามันจะแสดงออกม า, าความหลงความคิด เขาม่งเขาห่อนอนจะแสดงออกว่ามันหลบไม่ได้พอเราอตรวจสอบมันอยู่เมือกับรัฐบาลกำลังอดตรวจสอบเพื่อเป็นผลอย่างเขาจับยาบ้านเขาจับไม่ได้แต่ว่าเขาตรวจสอบเป็นผล เป็นผลพ่วงเป็นผลอะไรล่ะคุณหมอเรียกว่าคนอะไร <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> มื่อมันอะไรก็มงมามงมามันก็ปฏิเสธไม่ได้ชีวิตการปฏิบัติธรรมกับมั น, นมันอยู่ไม่ได้ตับขี้เหล็กจะทำทั้งหลายความหลงทั้งหลายความไม่เป็นธรรมทั้งหลายัอยู่ไม่ได้รับ กมันตรวจสอบจริงๆเหลือเกินหรืความรู้สึกตัวนอะมันต้องสร้างกระบวนการยุติธรรมให้แก่ชีวิตเราพอรู้สึกตัวนะมันเกิดความเป็นธรรมเกิดความยุติธรรมถ้าเรามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวหนึ่งวันสองวนันสามวานันพอมันหลงขึ้นมามันก็ต่างกันกับความรู้สึกตัวนะแต่มันไม่มีคําถามหรอก ถ้าคนสร้างสร้างสตินะเพราะมันหลงเขาจะไม่เอาเขาจะมาหาความรู้ส่วนตัวเลยไม่มีคําถามไม่แต่การกระทําลงไปพอมาหลงทีไร เ, เขาก็ขยันลูกเป็นหน้าที่ของเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่ที่เห็นลูกมีภยยัยโยงกัดลูก อ, อลูกมันจะตกบ้านลูกกัจับมีดจับอะไรที่มันเป็นพิษเป็นภยัย ไม่มีพ่อแม่คนใดที่จะวางให้โลกเกิดอันตรายสติสัมปชัญญะเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อเปรียบเสมือนแม่ไม่ปล่อยทิ้งนะแบช่วยกันทีเลยพอามาหลงแบบความรู้สึกเขไปช่วยแบบมันช่วยเก่งอ่ะพ่อแม่เลี้ยงลูกคนหนึง่งกันว่าได้ปัิญาติลูกคนที่สองได้ปริญาโทลูกคนที่สามได้ปริยาเอกชานาญในการเลี้ยงลูกอะ การที่มีสติที่เข้าไปเห็นอาการต่างๆของชีวิตเรานะั้ยมันก็ไมีโอกาสชำนาญเหมือนกันไมีโอกาสชำนาญชำนาญไว้ด้วยนะมาไว้สตินี่ไม่ช้าเลยมาไว้ที่สุดละไว้ก่อนนันดื่นนะมันเป็นอย่างนั้นแต่อะไรชื่อว่าสติสมัมปชญัญญะความรู้สึกความรู้รได้โนมะ้มันไว มันเป็น <c oughs> มันเป็นทับที่ตัดไว้ดีจริงๆสติปัฐานด้วยกรรมฐานด้วยภาวนาด้วยโอ้ยชื่อไม่แต่ชื่ อ, น, อน่ารักน่าหลักกรรมฐานที่ตั้งแห่งการกระทําดูเฉพาภาวนาขายันลูก เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความผิดเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้ภาวนามันชื่อโอ้ยอชื่ออะไรก็ไม่เพราะมืนก็ชื่อกรรมฐานภาวนาเราจึงได้มรดกกันดีที่สุดเป็นสูตรของชีวิตเราเรามาเรียนสูตรเรามาอ่านเรากายเอาใจเป็นตรรมราเอาสติเป็นนักศึกษา คอยดูแลไปคอยดูแลไปมันก็มีบทเรียนไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีประสบการณ์ไปเรื่อยๆอะมันหลงก็ได้บทเรียนมันผิดก็ได้บทเรียน <c oughs> ไม่มีเสียการจเจริญสติเลยไม่มีเสียหายเออฉันไม่รู้อะไรเลยนะหลวงพอ่อไม่ใช่ลุ้อยู่แต่เวะไรก็เห็นบางคนไม่เคยเห็นความคิดตัวเอง พอไเห็นความคิดตัวเองเขยังไม่รู้ว่าตัวเองเลื่อนฐานะแล้วมันผ่านอะไรมาแล้วพอที่จะมาเห็นความคิดตัวเองแต่ก่อนเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับความโลภอยู่กับความโกรธอยู่กับความหลงอยู่กับความคิดอยู่กับความรักความชังอยู่กับความง่วงความร้อนความหนาวอยู่กับความหิวอยู่กับความเจ็บความปวดพอมาดูข้างจริงแ่ะมันเห็นแล้วมันไม่ได้ปอยู่เหมือนเมื่อก่อนมันเห็น มันคนละเรื่องกันเลยบัดเห็นความคิดตัวเห็นตัวหนึง่งตัวคิดตัวหนึง่งดูสินี่มันเยี่ยมเลยน่ะถ้าเห็นเรอะไรมันเกิดขึ้นตรงนั้นมันก็มีมีมุดโผล่ขึ้นตรงนั้นแล้วมันง่ายเลบถ้าเห็นเราง่ายมันเกิดไปมุดขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าเป็นเรามันเกิดยากเราจะมาดูมาดู มาดูอะไรมาดูกายเคลื่อนไหวี่ว่ากายยานุปสนามาดูกายมาดูกายกายก็มีทุกคนไม่มีหญิงไม่มีชายคํ า, า, า ว, ว่ากายเนี่ยไม่มีลักทธิในกายไม่มีเพศไม่มีวัยคาว่ากายเนี่ยมันยอดแล้หลมเลือกก็ได้หลือมันไม่พราะเหมือนกับว่ามีสติดูกายพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นศาสตราเอกเก่งๆนะปัด อ, อะไรไว้ เป็นหนึ่งเป็นสองไม่ได้หนึ่งจะให้เป็นอันหนึ่งไปไม่ได้หนึ่งเดียวเท่านั้นผัดไว้ดีจริงมีสติเห็นกาย่ะมีสติเห็นเวทนามีสติเห็นความคิดมีสติเห็นธรรมอันนี้ถ้าเราผาดด่านถ้าเราเห็นสิ่งมันนี่อะไรมันก็กักเราไม่ได้เราเป็นฟรีเวย์แล้วถ้าเป็นถนนถ้าเป็นทางก็อะไร ไอเว้ยเลยในกรงเทพเลยไอเวย์ Highway, ทางอะไรไอเว้ยหมายถึงว่าอะไรทาง ด, วด่ว <c> น <oughs> อ่ามันไปแล้วทางจะเห็นเราไปได้แล้วไปได้แล้วอ่าไม่มีไฟแดงไม่มีไฟเขียวถ้าเห็นผ่นานผ่านได้ตลอดมันทางใน <c oughs> ประเทศสหรัฐประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีอะไรเขามีฟรีเว้ยเขาวิ่งทั่วประเทศเขาฟรีเวย์ตลอดทั่วประเทศเลย เราเรามีไฮเวย์อยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ว่าประเทศสหรัฐนี่ยไฮฟรีเวย์ทั่วประเทศวิ่งไปเท่าไหร่ก็วิ่งได้ไม่มีไปแดงไม่มีไปเขียวเขาจนทําที่พักรถเอาไว้เพราะมันมีฟรีเวย์ที่พักรถของเขาอนะมีห้องอนามัยมห้องอนามัยเลยนะมีห้องน้ําห้องส้วมมี ล่านอาหารในหมอด้วยพักรถตรงไหนมีหมอตรวจโรคตรวจสุขภาพร่างกายในห้องน้ําห้องส้วมในล้านอาหารในเพื่อนมีมิตรที่ น, นัง่งที่ดอนสบายที่จอดรถขอขอหาในสถานที่ที่เป็นวิวสวยๆมีบึงมีน้ํามีโูเขามีอะไรต่างๆขก็เคย ไ ป, ไปเขา <c oughs> สร้างบรรยากาศชีวิตเราเนี่ยฟรีเวอ่าไม่เนียผ่านได้ตลอดเลยสนะะดวกในการผ่านแต่ก่อนมันสะดวกในการติดมันง่ายที่จะติดพอเปลือกหดไปมันง่ายที่จะผ่านอะไรมาก็ผ่านได้แล้วมันหลงที่ได้ก็โล่ความหลงกลายเป็นความยิ้มเหมือนหลวงพ่อพูดตอนก่อน ก็เป็นความทุกข์ก็เป็นความยิ้มแต่ก่อนความทุกข์นี่หน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวบัดนี้พอเห็นมันทุกข์เนี่ยิ้มนะมันต่างเก่านะแต่ก่อนความทุกข์นี่หน้าเบี้ยวบัดนี้พอเห็นความทุกข์นี่ยิ้มสดชื่นเนาะง่วนคนหมอตรวจเห็นเชื่อโรคโ อ, โอ come, ้พบแล้วพบแล้วพบแล้วพบแล้วพบแล้วนี่ยิ้มเลยคนหมอใช่ไหมคนหมอประา ถ้าเห็นเชืโรคแล้วมอจะยิี่ไม่วังหายถ้เห็นเชืโรคแล้วมอจัดยาให้ออีกสามวันหายเนี่ยนะนะแต่นั้นถ้ามันเกิดขึ้นมามันทุกข์เลยมันยิ้ม น, นะไม่ใช่หน้าเบี้ยวมันเป็นอืศิละปะถ้าเห็นสุขเนี่ยอาจะเฉยได้ไม่ยิ้มก็ได้เห็นสุขเนีเฉยไม่ถล่มตัวเห็นความสุขในเฉย จะเห็นทุกในยิ้มสดชื่นนะอะมันต่างเก่าร่วงพ้นภาวะเดิมตัวปฏิบัติเนี่ยลงพ้นภาวะเก่าๆต่างเกา่ามันต่างจริงๆนะมันเห็นแต่ก่อนมันเป็นวันนี้มันเห็นนะพอมันเห็นแล้วมันก็โอ้ยหลุดพ้นแล้วไม่มีอันตรายฮะ อนานไหมหมดเวลาแล้วนะนก็สมควรกัเวลาแหละเนาะเอาเท่านี้ก็พอแล้ววันนี้วันนี้เป็นวรรันอาทิตย์ญาติธรรมมาประ ม, มอประสาทเข้ามาทำท่านคนนายนอกท่านญาติธรรมทั้งหลายแล้วก็มีอ่าเพื่อนเรามาหใหม่ๆจากกรุงเทพหหาลครเมื่อวานนี้ วจยานแล้วครทมกิดกแล้วก็มาบวชใหม่ๆมาจากแ่งคอยสระบุรีเพื่อนของเราเรดีใจมากนะหมายว่าเออเรายังมีเพื่อนนิดๆมาเทืผู้ที่ไม่มาขอให้มาพูกมาแล้วให้อยู่เป็นุกเป็นุกแล้วปฏิบัติธรรมต่ยังไม่เข้าใจอึงไดมาถามผมได้ แม่แต่ผมจะนอนอยู่ก็ เ, เอาฝามือตีฝาประตูป๊อป้องป๊อ๊๊เ อ, อ, อ, อ, อไม่ต้องเกรงใจที่ว่าชีวิตของผมเนี่ยจะจะมาในทางนี้แล้วไม่ต้องสงวนอะไรสงวนตัวอะไรดอกเรียกเวลาไหนก็เรียกได้เลยแต่ว่าก่อนที่จะเรียกคนอื่นต้องดูให้ดีๆก่อนบางทีต้อง ดับดูก่อนปฏิดูก่อนปฏิดูก่อนโต้อตอบทักท้วงดูก่อนอย่าพึงอย่าพึงยอมมานะเขี่ยความกลัวเนี่ยพอเกิดความกลัวเนยหอกหมอนหอบเสือไปนอนกับคนอื่นไม่ใช่พอมันเกิดความกลัวขึ้นมาปติปฏิหรือเปโต้ตัวหรือเให้โอกาสเราสักหน่อยหรือเป่ามันจะไปหรือมันจะอยู่มังจะไปมันจะอยู่ ดูดีๆให้มันเกินความกลัวไปความกลัวมก็สุดไปนะมันไม่ยาวเท่าไรหรอกเราให้มันเกินความกลัวไปสักหน่อยความเหนื่อยเราทําความเพียรเรามันเหนื่อยให้มันเกินความเหนื่อยไปสักหน่อยมันหิวให้มันเกินความหิวไปสักหน่อยมันร้อนให้มันเกินความร้อนไปสักหน่อยมันหนาวให้มันเกินความหนาวไปสักหน่อยอย่าให้ความหนาวความร้อนความหิวความหนื่อยความ กลัวอะไรมันเป็นใหญ่เกินไปให้มันเกินสักหน่อยให้มันเกินไปสักหน่อยผ่านมันไปสักหน่อยมันไม่มีค่าเลยรหรอกแต่ถ้ามันไปชนกันต้องสะแพ้ไปเลยมันไม่ใช่นักปฏิบัตินักปฏิบัติตัวโต้ตอบทักท่วงเคียงคิดไหลกัน้องดูเลยมันเคียงขนาดไหนอ่ามันเคียงขนาดไหนเช่นความกลัวอะหรมันจะกลัวขนาดไหนมองดูจริงๆดูซิ หายใจลหลงๆพิกมือช่วยสักหน่อยสูตรลมหายใจสักหน่อยนะมันจะขนาดไหนผมกลัวไม่ใช่แต่การเจ็บปวดก็เหมือนกันมันจะขนาดไหนนะถ้าเราทําใจพิกมือหายใจสูตรลมหายใจเข้าไปพิกมือลู่สุดตัวเนี่ยเฮ้ยหลงก็ว่าศิละปะของการใช้ชีวิตของพวกเราการปฏิบัติทําเลย เป็นยอดเลยชีวิตเราอย่าให้พลาดเถอะนะชีวิตเราเกิดมาชาตินี้ใช้โอกาสนี้แต่พระวัดป่าสกโตเพื่อการเนี่โดยตรงไม่ต้องติดตกไม่ต้องจดหมายไม่ต้องจดหมายมาถามมาได้เลยสิทธิที่เราจะมามาได้เลย ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ก็มีคนอื่นอยู่ถ้าคนอื่นไม่อยู่ก็มีคนอยู่ไม่มีก็อยู่เราก็อยู่คนเดีย ว, วเลยเพั่ออะไรเอาไป น, นั่นแหรอหลวลงพ่ออยู่หรือเปล่าถ้าหลวงพ่อไม่อยู่จะไม่ไปไม่ใช่ไหไปไม่ต้องกลัวไปได้ไ่าตัวหล่หลวงพ่อก็ช่วยอะไรไม่ได้ตัวเราเองต่างหากที่ช่วยตัวเรานะหลวงพ่อเคยเสียเวลากัวเรื่องนี้ ไปเพื่องร้องพ้อเทียนโว้ยหลองข้อเทียนก็ไปก็หล่อนก็หล่อนก็หล่อนเราก็เชื่อวอาเราก็ไม่มีเงินที่จะหนังรถใสเหมือนร้องพ่อเทียนยจะต้องไปหาเงินอีกสักหมื่นหรือเปล่านาะเพื่อจะได้ใไปกระหลองพ้อเทียนคิดไปทำเราหนั่นก็ไม่มาเลยพอจริงๆแล้วมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเราอยู่นี่เราก็ปฏิบัติเนี่ยร้องพ้อเทียนก็ทําอะไรเรามาได้ มันหลงเราก็กลั่วเองมันผิดแล้วก็ทำเอางมีเสพเองตั้งหลักใหม่ตั้งหลักจึงเป็นจึงเป็นตัวเป็นตนจึงเป็นที่พึ่งได้ตนนั่นแลสเป็ที่พึ่งของตนอตาเหตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนตต น, ต น, นีนเนนเน่เราต้องคิดอย่างไงอย่าไปอาศัยคนอื่นเป็นเสนาวัชิการคอยเอาไปห้อยไปแข็นไปกับใคร ตัวเราเล้าเราคนหนึ่งคิดอย่ น, นั้นรันมีความพร้อมอะอภายนก็พอละวกลับพระพร้พอมกันระหุสมาสัมพุท